ไมชีวินยักไม่มีในเราโอพาสก็ไม่มีในเราเรียบเกียงก็ไม่มีในเราถ้าเรายมผูชั่นสูงละยิ่งเรายิ่งเขารบเราละอายเขา ชั้นสูงมีสองจำพวกชั้นสูงที่เป็นคนจนธรรมะสูงก็เรียกว่าคนชั้นสูงที่รวยทรัพย์ภายนอกเขาเรียกว่าคนชั้นสูงในทางทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ชั้นสูงในภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยก็ยิ่งเกลียดเขามากเมื่อเขามาหาแล้วไม่ได้เอ่ย โอ้เห็นเราเป็นคนรวยเมื่อเข้าเมื่อเราเข้าไปหายท่านจะเอ่ยให้เราช่วยอันนี้อันนั่นกำมังนึกเกงเขาจะพูดนึกเกงเขาจะนึกละเราเราไม่ปลอบปลบไปทางอื่นบางท่าน เวลานี่กำลังช่วยกําลังทำอันนั้นกําลังทําอันนี้อขอให้คุณโยมช่วยปูนบ้างขอให้คุณโยมช่วยเหลืกบ้างช่วยหินบ้างมันต้องไปแถวนั้นหมดไปเลย ขาดเล็กอยู่ทนา น, นขาดปูนอยู่ทนา น, นขาดอิดอยู่ทนา น, นใครมีศรัทธาก็ต้องช่วยพระกี้มันมีมันมั น, ม, นมันมีหลายประเภท ว, วิธีพระกี้พระกี้พระปน่น พ่ากี้แบบหนึ่งก็เชิญนจวนมาหาเขาผู้ที่เขาเป็นคนชั้นสูงนัดให้เขามาหาในวันนั้นในวันนี้หรือนัดผู้อยู่บ้านกำนันมาขอเชิญมาประชุมที่วัดอย่างนั้นอย่างนี้พอเขามาประชุมหมดแล้วคนที่มีเกียบมาใน ที่วัดถ้าก็เ อ, อ, อ่ยขึ้นเรือยวนี้การงานก่อสร้างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขาดอันนั้นขาดอันนั้นขาดอันนั้นพี่น้องชาวพุธของเราจะไหวยังไงใครจะเห็นดียังไงบ้างใครจะช่วยยังไงบ้างเรียกว่า ที่เรียกว่าจับตัวมาไถาเรียกค่าไถาเรียกค่าไถค่าถอนทีนี่เมื่อถามในที่ประชุมคนพอหน้าภาพพอตาดิฉนะันก็จะช่วยสักพันหนึ่งที่ เมื่อคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วคนหนึ่งจะเอ่ยขึ้นสัก5่ายบาทก็ไม่ได้อีกเราก็คนหนึ่งพันหนึ่งจำพวกลายสิบก็ต้องสิบเหมือนกันหมดจำพวกลายร้อยก็ต้องร้อยด้วยกันหมดทีนี้นะเดี๋ยอว่าพระรับไถ่รับถอนเลือกตัวมาแล้วก็ไถ่ก็ถอน แบบหนึ่งไม่ทำอย่างนั้นรู้จักจกับคนไหนคนไหนคนไหนก็ขึ้นรดไปพอถึงกรุงเทพก็ไปพักอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งรู้จักจเขาอยู่นี่ทั้งรถไปพักที่ มูลนิธิของหลวงปู่มั่นทีนี้ก็บอกเขาโทรศัพท์ให้เขามาหาทีนี่จะมามาแล้วอยากจะพบหน้าด้วยเมื่อเขามาหาแล้วกอาละที่เนี้ยนี้ขาดเนี้ยนี่ขาดเนี้ยจึงมาหาจึงมาหาพี่น้องทั้งหลายนึกว่าถึงแล้วนี่พี่น้องทางหลาย ญาติโยมทั้งหลายคงถือว่าเป็นเครื่องเล็กน้อยเพราะอยู่ในเมืองหลวงทเหมเอ น, นคนมานอกเป็นคนหาจินพอปาาพอทอง ท, ทุกท่านกไม่นึกเห้นใครอาจจะมาจึงได้มาด้วยความจำเป็นขอให้พาการช่วยเหลืออันนั้นบ้างอันนี้บ้าง อ, อันนี้ฉันได้เทอันนั้นกระผมไดเธอนี้ฮะ ไม่ทำอย่างนั้นที่นึกจักกับใครกับใครก็เอารถส่วนตัวไปลูกจักที่พักเขาด้วยลูกจักที่บ้านเขาด้วยก็ไปห า, าไปชูเขากับบ้านเลย น, นี้ก็อเบี่ยงหนึ่งบางที่เขาริงเกียดเขาอยู่ที่นั่น เ, เขาก็นัดลูกเขาบอกว่าท่านไม่อยู่ท่านไปไหนไม่ทราบ เขาเบื่อเขา mm. มันมีหลายกระทงทีนี้กระทงหนึ่งอีกก็เรียกมาประชุมในวัดนี่เราจะจัดการจันงานอะไรขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอันนั้นอันนี้หรือซ่อมแซมอันนั้นอันนี้ ท, ทําท่าทําทางเขารบนบถือเขาปึกษาเผา ท่านในอำเภอท่านกำนันาาท่านเพื่อบ้านท่านสาลวัตและประชาชนทางร้ายมอกให้ท่านทางร้ายเป็นสิทธิ์อาตมาเองก็เป็นผู้ขอฝากท่านจินแต่จำเป็นก็จะได้พูดให้พวกท่านฟังแล้วท่านจะเห็นดียังไงอาตมาก็มีแต่บาตรกบจีวรเท่านั้นเอง น้ำพึงเรือเสือพึ่งป่าพุทธบริษัทจะเจริญขึ้นศาสนาก็จะเจริญขึ้ น, น ก, น เ, น ก, กเพราะพวกเราพุทธบริษัทสี่ภิกษุสามเิณีอนุบาสโมัิ ก, กาแต่ว่าพวกเราจะทำยังไงขอปรึกษาด้วยขอเรียนด้วยขอเรียนศึกษาด้วย นี่ชั้นก็เท่านั้นนี่ฉก็เท่านี้ฟมก็เท่านั้นฟมก็เท่านี้ทีนี้ก็ไปพูดอวดหมูว่าตนไม่ลาบลาบบ้ายังไงขอเขาจะตายเที่ยวหาเสวยหัวหาจนตาย นแลูว่าแต่ลู่จากกขาใครก็ต้องไปหมดจังหวัดไหนก็ต้องไปมันขึ้นในเรือนในชานเขาขึ้นบ้านขึ้นช่องขึ้นอะไรเขาให้เขาตอนรับปลาสายทาท่าทําท า, ทางไปจบเจบแจงเขารบนับถือนี่ก็จี้กระเป๋า สมุติฐานอยู่ที่จีกับป๋ถ้าแบบนั้นเราเห็นมามากเราเบื่อเราไม่อยครบจะสร้างเลยตั้งร้านแล้วก็ไม่อัศจรรย์้าแบบนั้น อันนั้นผมก็สร้างขึ้นท่านั่นล้านอันนี้ผมก็สร้างขึ้นตอน น, น, นี้นี่ไอ้ล้านมาพูดอวดแล้วเบื่ออันนี้เราไม่ใช่คนโง่ๆพอที่จะให้คนจะไปอัติจันทร์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเราไม่อัติจรนทร์ถ้าโกดๆแล้วล้านก็ตามเราไม่อัติจันทร์แบบนั้น เบบนหนึ่งเขาไปหาภาวนาเมื่อคืนนี่ญาติของพวกท่านมาในมิตเห็นไม่มีภาพผ่อนท่านสบายนุ่งเลยพร้อมทางอดอาหาร เรื่อยกายมาหาจะมาแล้ไทยถามว่าของอพี่น้องของคุณโยมชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นคนลูกกับคนสันทัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ขเขาขออถ้ามาบางสกุลบ้างเอาอาหารมาให้ญาติว่างนี่ขอพระเบบ้หนึ่งนี่ เราเป็นพระแบบไหนไม่ทราบดอกเรายังว่าประกอบเขาอีกแต่เราพูดแบบหนึ่งก็อาตมานึกจะไปเที่ยวแต่ถ้าว่าถ้าอย่างนั้นหรือฉันนรือตัวผมก็จะ ถวายมูลค่าจะไปไกลขนาดไหนขนาดนั้นขนาดนีน้อันนี้ก็พระแบบหนึ่งอีกแมบบันกันนะแบบหนึ่งก็มีตู้บริจาคตู้บริจาคอยู่ในวัดบ้างอยู่กับพระพุทธรูปบ้างอยู่กับเจดีย์บ้าง เอาบริขารไปวางไว้บ้างมีกรดด้วยมีบา ด, ด้วยอันนี้ก็กมาฐานแบบหนึ่งแบบหนึ่งก็มีทำาหน้ามน์ดีนะหน้าม์นีน่อ๋อหมดจนพระใจไปดกถ้าใครต้องการก็ บูชาขวดละห้าบาทขวดละสาบาทขวดละสอบาทขวดละสิบสีริงอันนี้ก็เบียบหนึ่งมันมีหลายเบียบมากอแบะแบหนึ่งก็หาทองมาด้วยอาจจะมาจะทำจะกุดหรือยันอะไร ไม่ต้อการอะไรก็เอามาแต่ว่าตีราคานี่อันนี้ก็แบบเลยมันมีหลายแบบมากถ้าไม่มีหลายแบบมันก็ต้องมีหลายบาปทีนี่ลบทะเอออกซะเอาตัวบอสระอาตัวปอสะกดทีนีต้ต้นดีขนาดไหน ตนก็คงจะอยู่ก้นนรกนั่นเองแต่พูดเฉยๆดอกแบบหนึ่งก็อา จ, จะมาฝันเมื่อคืนนี่ คงจะเป็นอันนั้นคงจะเป็นอันนี้ฝั น, นันชัดแล้วเกิหลับคาภาวนาอีกด้วยถ้าหากว่ารวยก็เอามาช่วยสร้างบ้างนะนี่ก็เบียบหนึ่งอันนี้ไปไปไม่นานเดี๋ยวถูกกอนหินเขาอันนี้ ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันมีน้อยทุกวันนี่ผู้หวังจะเดีนในปัจจัยสี่จีวาร์มินทวาทเซนาสนะนะกํกำลังแสงหน้าแสงหลังกันกำลังแสงหน้าแสงหลังกำลังออกลาย อ, อันนี้เบื่อเหลือเกินนี่ ยูงของข้าคนนั้นอยูงของข้าคนนี้ยูงของข้าคนนี้ยูงของข้าคนนั้นอยู่จังหวัดนั้นอยูงของข้าอยู่จังหวัดนี้นี่ละนาฬิกาของข้านี่นเขาให้ราคาสี่พันบาไนี่ปากกาของข้ า, ม, ามีนาฬิกามีนาฬิกาอยู่ในนั้นด้วยนี่สดของข้า instant. นี่บาทจะแจนหลีของข้านี่ไปแบบหนึง่งแบบหนึ่งเมื่อรู้จักใครสมมติว่าจะไปเยี่ยมสกลนครดูจักเขาคนหนึ่งแต่เขาเป็นคนรวยแต่พอไปมีเท่าไปถึงเมืองสกล ไปเฉพาะตนเองเวยเขาไมา่ได้นิมนต์ไปในงานเอื่นพอทิ้งบริขารไว้ในวัดครูบาอาจารย์ก็มาทันได้กราบไหว้บอกพระเนนเล็กๆแกลกอของผมอยู่นี่นะวิ่งเข้าบ้านบ้กว่าจะมามาแล้วเขาก็เอาน้ำอลรมอัดไฟมาให้ยัดแกะํำคาน อายามาซองหนึ่งว่างราจคนไหนก็ต้องที่เอาไปเยี่ยมหมดนในตลาดนั้นกว่าจะออกมาก็ได้หลายซองหรกอบรีนี้เวลาจะไปออกมาล้วก็ออกมาไปกราบเรียนครูอาจารย์ขั้มทีนี้ แต่มาแต่พอขําแล้วบาดสาวบาดศี้ษะมาต้องไปกลับเรียนครูบอาจารย์เวลาจะไปนี้วันนี้จะไปไม่หาอุบายไปบินธบัลก็เพื่อนแหะทีนี้ออกไปจากโตแต่ตนคนเดียวเพื่อไปสั่งเวลาเขาเอาสตางมีเด็กกรรมหลังด้วยแต่เมื่อแอลาไปนะพวกนี้จะไปจังหวัดนั่นจะไปจังหวัดนี้ พอไปถึงต่อกนันก็อาแต่มาจะรจานะมีเด็กตามหลังเขาให้เงินคนละร้อยบาทบ้างสองร้อยบาทบาท้างสาห้าบาทบ้าง1ิบบ้างสามสิบบ้างกว่าจะครบถนนได้เงินตั้งพันๆันเหมือนทีนี้แบบนั้นกินก็มีมากแหละแบบนึงก็ไปที่ไหนเขาก็มาเขารูจา้จัม ก็ามาเยียบนานๆถึงขึ้นจะมาหลวงตาต่องสุขคนจังหวัดชัยนาทลูกหลานเขานับถือบอกลองพอ่อลุงพอ่อลองพอ่อนานๆสีนน่ห้าปีได้มาละสมมติว่าไปจันทบุรีเรนี่ หาออกจากจันบุรีไปสามปีพอกลับมาลูกสาวคนาเน้นยังหรือไม่ลูกสาวคขนี่ยยังด้วยไหมลูกสาวคนาเน้นยังด้วยไหแล้วพ่อมาเลยอะบอกมาเยี่ยมลูกพ่อด้วยเขาก็ออกมาเยี่ยมที่มีอะไรเขาก็กรำมาด้วยเขามาเฉยเฉยไปเป็นเดี๋ยวกำมันั่นมาบ้างกำมันนี่มาบ้างแล้วก็ สบายดีนะลูกสาวควานั่งก็สบายดีลูกสาวความนี้ก็สบายดีลูกพ่อก็สบายดีถ้าอย่างนั้นก็พรุ่งนี้ก็ทาําน้ําพริกมาแข่งกันวันนั้นก็ทาําน้าพริกคนนี้ก็ทําน้ําพริกคนนี้ก็ทำน้ํนพาพริกมีพักด้วยมีพักต้มด้วยไม่อะไรต่ออะไรด้วยอันอื่นเวลาฉันก็น้ําพริก ลูกสาวก็นั่งก็ดีแบบหนังลูกสาวก็นี่ก็ดีแบบหนังลูกสาวก็นี้ก็ดีแบบหนังทีนี้ชาวจันบุรีเขาเขอเรียกว่าหลวงตานําพลิกทีนี้ทีนี้เวลาจะไปรีดขี้เข้าอีกทีนี้ตรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปนะถ้าหากว่าลำบากไม่ไม่เยี่ยมกับวัดผู้ล่องพู่ก็จะไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้ เขาให้เงินเป็นหลายพันบาทได้เดยกคนหนึ่งตามหลังจ้ะอันนี้มันเคยมีมาเหมือนกันแต่วงของหลวงปู่มั่นไม่มีโลดผลถึงขนาด น, นั่นหมูก็จงตกโจมตีกันหมดไปไม่รอดแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหลือนี้พวกที่เป็นหัวหน้าวัดหัวหน้าว่าในระหว่าง10บพรรษาก็าดี2ี่ัพรรษาก็าดีกำลังจะนับ1ิบไม่ลุกพอเห็นครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาบัวมีลาบมียศหลวงปู่ขาวหลวงปูเ่เทพหลวงปู่แวน เราก็อยากเป็นอย่างนั้นกำลังลิ่นล้นทุกวัน้ทำหน้าทำหลังเราดูไม่ได้เราไปปะเขาข้าหมูดูไม่ได้ <c oughs> น่าเบื่อเราทุกวันทำท่าทำทางเป็นคนทานทันสมัยออสูบขทัยนู่นอล้วกันี่ไม่ใชยแค็คสักกับ จะเบิดจะ่าผนบเนี่ไปทางไหนก็ น, นั่งรถออกนาท้กับคดังเป็นเงี้ยเป็นเียเนมันกูก็เคยซื้อมันกูก็เคซือฮะมันก็นั่งเป็นสมอเนีมันตงสมัยข้งหลวงกับหลวงปู่มันก็จะเอามาบอก ขังหลวงปูมันว่าได้เป็นนังสมมุตินี่ได้ท่านมีคนข้นมาหาผู้บาอาจารย์เขาป่ารกท้ำป่ารบเวไนกับผู้บาอาจารย์เป็นจิตยาลักษณะโ <c oughs> ม่ฮันไปยืนอยู่ไกลๆปิ้นหนา้าปิ้นหลังปิ้นก่นใส่ว่อกขำหยาดกำยมกบเสียงผืนกกโกกเก ก, ก, ก, กจะใครมีปัอน๊ดย สเบ่แล้วทำทา ท, ทา่ า, า, ททา ง, ททา ง, งบาง่เอาใจใส่ทำช่างะทาทางเอ้ยของซ้ำน่ะมาต้องมาใจจันยนังผอะไรสมือมันน่ะพิษขังหลวงปู่มันแท้ขงหลวงปู่มันน่บ่แล้วต้องอยู่ตามมาตาเรือดเดี๋ยวนี้เพิ่นเทศยังไนอยู่ เพอนอกก็พ้นจังไรอยู่ เ, เราอยู่ในวงซาราหันเ่อกเป็นคิดจาลักษณะจังไรอยู่ก็พนเขาไปถามเขาไปบอกก็พ้นเขาบอกธรรมดาบือหรือเกี่ยวกขาธรรมะต้องเบ่งตามาตาเรื่ออันนี้จับกลุ่มคำคุยอยู่ทั่วทิทั่วแดนจนห้าิเทียตั น, นยุติเราปฏิบัติแบบบ้าๆเสมอเล าแต่ได้เป็นพระวัดแตกซิภาษาเศ้าภาษาเลยโอยย่สังคมยังไงมากหอดบหุจักบนนางหูจักกันกยิ่ยังปีนไปผุพรพระเทดะับสูงๆหนาๆโยมเขาว่าตัวว่ารายพรรษา่านเขาว่าเอาของไปถวายโอ๊ยนี่มันเบื่อไรเขาอิ่มปันอิ่มขี่เนี่ยอิ่มพระแบบนะ มื่อหยียบขี้ไก่กบเทีมวจักกันยุกกระตั้งแจ้งไปนั่งนากันญ่านโบไก่ผู้ไงญาติกันนั่งไก่เพื่อนอาจารมหาบัวญาติกันนั่งไก่เพื่อนในอาจารขาวญาติกันนั่งไก่เพื่อนคู่บ่าอาจารย์สุ้มมิสือเสียงมื่อหยียบพันสาออนพันสาแก เพื่อที่ขยานย่มเข้ามาในที่ตั้งซีเพื่อที่เขาถวายอันนั้นอันนี้โอ้ยมันเบื่ออะไรเขาพ่อเขาบอจะไปเห็นเขาเบื่อเขาตัางกันก๊าซไม้หลวงปูหมันมาเจะของไม่อยอมเอาไปล่างอหไรมันเสียเกียร์ยางานเขาว่าพระอ่อน อันนี้สังคมใหญ่ๆอัน้คมอั น, น้ามสังคมอันเพราศพเพรเมมพาตางลอยต่างพันธรรมดาห้องเป็นส่วนหนึ่งแงยูวัตห้าเป็นส่นนวหนห น, นึ่งไ ม, าา ม, มา่แยมไม่ยงงกันม่ได้ซื้อกันหอกกันเราคือแงมสังคมใหญ่ๆแามแขกต้นสันสูงมากเพราะนี่แง่เรากับแขกอันสันสูงกัน ไอ้นั่นก็หัววัดไอ้นี่ก็หัววัดแขกเข้ามายังมึงนำนักเคลือนแย่เขาต้องการเรากับผู้ใดหานดังเสี่เขาต้องการเรากับผู้นึงผู้นึงมาสวยเอาไปกินย่อยโอ้ยกูก็ว่าเบืกคิดเดียดผ้าผู้นี้ดีว่าสันเท่าขึ้นอยู่เห็นนอดพูดคิดพูดใจดหุ่นห่อเ้าเห็นงานพระอาจารย์วันไหนเนาะ เขาตั้งใจออบอกเขเพิ่งในการชิงช่องอยู่่านถ้วยไม้สวนเอาไปกินจ่อยท่า น, นี่เล่หดจ อ, อยูงเล่าอยู่ข้าวยานเขาเห็นกิเลสของพระดอก อ, อนใหญ่ใหญ่มันว่ามันของดีเด้มันเอาพระไปขายกิเลสแขกคนสันสูงเห็นเลยงอนให่ใหญ่เนี่ยมันว่นมของดีภายในได้ ผู้ลงค้อนนะท่น<ะ>โอ๊ยตาปันลูกบอกหอยามทั้งโตหนังสือออกเสีะ่ะเป็นตัวหนังสือออกกระถิ่นงานในงา <c oughs> นก็านี่ยเขนี่ยเสียละแล้วมันยังสียังเฉดเนี่ยแล้วบางตาอ่ะท่นปันบอกบัวบัวเห่าอยู่หัว่ะอย่ามนันมัท่านสมัยวันนี้ผู้ท่นสูงเข้าไปเข้าไปซ่อมพระที่พระเมี่ยมึงใส่ <c oughs> มันมีเสียหลายก็ได้งานใหญ่ใหญ่พระไปสายหนังให้เขาเบิง่ง พระผูกเือน้าอามิขนขนาเขาจกสลากหน้านีกาสันหัวเป็นซองๆป่านว่าแตกคุกแตกตารางมาได้ใสโอ้ยฮ้ยฟาดกับปาแค่มุนสเสนอห่อใจเฮาเป็คนมุดทะลุเข้าในวันนั่นคือการอะไรถ้าในวันคมานาพผุกมุ่น เราลองพุ ager, ่งสื่อของมาสองมื่นหน้าลิการแล้วก็เอาม้าลายยันตะเกียงเจ้าพยุเขาเราก็เอาม้าลายย่ามแล้วก็เอาม้าลายครบพระครบเน้นแล้วให้จับสลากเนี่อหลงพระองค์หนึ่งมายักษ์สำนักไผเหามาพักที่น้ำหลวงปู่ฝันห่ามาจับมาได้สา แล้ไปเขียนหนอาเองมมูลค่าห้ารอยบาทเขาไปกวดว่ามันว่ามันไรมือเขาี่เขานี่เขาเราบัหายเขาเนี่ยน่ะมันเนสียหลายาปไลสั่งไม่ใช่ลายมือของเจ้าสถานเขียนมาจากไรไม่สาวพะวาสาวัอ่อันซุ่มถือแล้วตะเกียงเจ้าพยุซุ่ม ถึกแล้วหน้าเรกา ร, กราันก็ไดทึ่งสุดแล้วเนีมันก็ไดหรือปากกาก็ดีนี่จะเกียงกับู้โยนคนีอันซ่องสีเขาไป ร, รับน้องเขาหันก็บปู๊ยมันก็จะแตกโคกแตกตารางโอ้ยคุจัไม่ผีกเดีประสานทวานนอว่ัวหล่นบอกหอกมาแฉมันไปเพื่อประสงค์อันนอนประสานสานวารต้องบเบื่ออกก็บลมันเคยยังว่ดตัวนี้ เสษตรเด็ดหล่อเดย๋ยวเพนดดนเดียงดยแล้วเบื่อห่อเดินจะ เ, เบืออบ่ออะไรจางสมัยหรอปูมนันนักปฏิบับ ผู้หวังผลทุกในวัาสงสารแท้เมื่อในหววงในไปปัดใจซีพาอสิมาเป็นเจ้าให้ใจเลยอันนี้สองของสิ้นขวองทำมันทั้งคอยเป็นว่าเองดอกเมื่อเห็นผู้ได้เดกแก้พาไปนุ่งพื่อไปเห็นเพื่อได้เด็กแก้พาไปบินท่าบาดเตือ ปฏิบัติย้ำหลพงพ่มันก็คาดคะเน่เอาเอาหน้านิจใจโลดบมันหน้าดิจ่าร่อนเว้นห่อ่าได้รอนขึ้นกะหาทุ่มฮกทุ่มผลเจ้าได้นอ น, ข, น, ข, น, น, น, อนขื้นเป็นใบาสามผลก็มันห้าไปละห้าไปห้าขอวัดละถามพวาวนาว่าได้ควบก็ให้ กรเฮ็ดแต่ขอวัดหล้อซื่อๆก็ให้ถามภาวนาไม่ได้ข่วงขอวัดกระเฮ็ดดีเงื่นส่วนร่วมก็ะเฮ็ดดีเส้นหน้าสาระวัดก็เฮ็ดดีเวท จ, จะวัดกระเฮ็ดดีกุฏิวิหารจะของกรเฮ็ดดีปฏิบัติกุฏิวัดจีวรวัดจะถามภาวนาไม่ได้ข่วงก็ให้มาเป็นมุขกินมู่ขีกันซื่อ เฮ็ดขววัดไพ่นอกมาล่อเทา่ทาๆล่าสมัยเอยงสิเฮ็ดขวาวัดไพ่นอกล่อจับเศษล่อเสียรเพึ่งกะว่าดีดอกสีบอกต้งสั่นบัวสั่นตัวตัวเก็บคืนยังมีตัวนุ๊กบุ๋มอันพ่เอองเท่าๆสิเฮ้อซ่อมซ่อมไปจับหันจับนีเสียระเขา้วดอกเฮ็ดให้มันถือกับจีรีเพื่อนเหรอเด๋ยยวัน้ำเพื่นได้ด อ, อสกสดีข้ากันร อ, น ข, อรของสอั่นหกวสั่น ถามป้าวันหน้าเราเป็นบ้ายุบอะไรข่วมมาเน่ยมาอยู่นั่มเป็นมู่กินมู่ขี่ซี่สือขี่สถานให้มันเหม็นตืมกันนี่สือภูเทาวาโนกบ่เคี้ยบ่ปวดเธอได้เพรปูหมันบเ ก, ก่งคน ล, ล้งปูมหานี่จัดสามเธอปุนยลปูมหาเนี่ยังเป็นที่สองที่สามเยอะดอกปิดประตู เห็นตบตูหูกุฏิประกใกล้กันกุฏิวัดโล่งโถงนันกุฏิวัดเป็นกรอบเป็นส้อยนี่หลวงปู่มหายจางผ้าเฮ็ดวังสองพันหายนี่ดอกตะกี้กุฏิโลงโถงนั่นแะวัดโลงโถงนั่นหละแต่าปัดกวดกหาหน้าที่ซิหน้าที่ก็เรวหลายก้อนกับกับกับกบกับ วิชาชีการวิชามักง่ายวิชาทะเลาะกันกับมูมามีในสำนักขอหลวงปู่มันขัดหรือว่าขัดเคืงหรือว่เคืงองเล่าเรื่องซีกอยู่ในหันวะใดได้ยินอะไรนี้โหลดบันวนสิมาศึกษาเรื่องสิขาลาเพีดอกสตัวถ้ายากซีก ก, ก็ต้องฮะอบายไปเที่ยวผมไปซีกบนอื่นมาหอดพนบลาพนก บ, บวาอย่างนีง้ไห้มาได้ยิน เมื่อราคนกับบัวเนี่ยใครอยากซิข้าราเพกกับผุนแล้วยฮะเอาใบราไปเที่ยวไปชิสทั้งหนาวผุนตอนนี้ยังข้าวมากผุนน่ะไปไช้ผุนนี่ไปใช้ผุนนั่นชิสแล้วเพื่อกระหมามากแล้วล่ะลำเนาะเพ่กา่น่ะพัดต่างวนุพือคนจะไปสิสข้าวัดพวกีอันรับข้าราชการมาบวชสามเดือนอ่ บวช1ิบหาวันก็ดีบวชแกะบาแกะบนก็ดีมันโมมีในสำนักของหลวงปู่มันดอกในยุคบันฑ้องผือนะ่่ะในยุคสองวันสี่รอยแปดสิบเกาเก้าสิบเกาสิบเอกรสิบสองน่ะมันบมมีแล้วเน่่ไในพระไหนเน่นไในพระเขาไหนยื้น้ำฝนโดนโดนเติบคนไหวเนื้อเสียใจแหละคนจังบวชไทย ว่มันบ่อยเขามาสิจับมือเส้นให้บวชโลดเดิสมมติไอ้เอซฮั่งพันเจมากกเธอก็ได้บอกเอาอืตอกฟืกดีตีขุ่นจะก้อนผนจะบวชหายถ้าเฮาเนี่บ่แล้วมือบวชเขาเก่าเองมือซิเขาเก่ า, กาเองเขาบได้ก่าให้เขาหอก ไปเที่ยวเขากะกะเอาเองเขาบริการหายแจ้กแนวเขาตกลงไปแล้วเขาจังมาล่าลูกศิษย์ก็เป็นนักปาดอาจารย์ก็เป็นนักปาราชญ์่าโมยัเป็นตาฟังงานงานพ่อเมีครูบาอาจารย์แล้วหลือบโโออ่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็จีวนการการันแล้วเลยสงสัยการงานพ่อเมีครูบาอาจารย์ นี่ยังอีกได้บ้นน้อขน่อยสักนก็เลยนกมือฟอมลูกปูมาหาบมู อ, อมย่างยามอันดีตะกี้เอิญพ่อานจามาหาจะซื้อบริอออ เ, เ, เออ่นลูกปูจะซื้อเมื่อยดอกเออการงานอันได้ก่ะคือแล้วลนเนี่ยไรละคือสีบ่มีแนวเห็นอยังนอกขันขัขนขอนอยสิไปเที่ยวต้องสิ ไปเที่ยวเ ว, ยวเวกยังที่จะเป็นอย่างไรเนาะตัวเป็นเสื้อปรึกษาฮันตะกับผูใหญ่อพอหายซดเพลินทำเนียบ่กกับภูใหญ่ต้องหายซีเพินมาสันเด้เคยสั้งสอนเขาอยู่ตัวภูมหาเทาที่ไปว่าตัดปรต์โหลดมันไ่ได้เลยสันถึงเทาส่เห็นถือเข็มเมินตอนน่กระากตามต้องวาหายซีเพลิน่าสันมันจะมาเสียวพวาเคารพ่าสัพ่นสอนเขาเป็นพิเศษตั้งหาห เออคนบอกจังสรนกับผมมีงานนี่ยังกับติไปก็ไปซะเพราะแต่ว่าจะดูโดนแรงเพราะมีแต่ผู้เถ่าผู้เดียวเอ้วสงยามยศกุติวิหารมากมันก็มีแต่มุ่งหย า, า, ามุ่งไปตอกอในผู้เถ่าพ้ามูอยู่ทั้ ง, ลงหลังเทศไวหามันกับเบาไวสวยงยามเอาเฟื่องก็บโง่ขึ้นมา อันนี้หมายพวกมาค้นกันเองที่เชื่อใจกันได้จังค้อนว่าผู้ว่าเป็นคุ้นเป็นตะบอกหอกกระบอกเลยนี่เพื่อนหมายว่าหลวงปู่มหานี่ยเข้าหลบเพ่นที่สุดไอ้เพื่อนจะบอกพูดแล้วเพื่นสงสยัยเพ่นกระบอกว่าวา ว, าว่าสงันเขาที่เอาไปไวด้ดูเขาเอาไปดูถูกที่ท่าว่าผูกอามาัดเขามนเป็ีนทงม่ด้ไม่มีหลายตอนเ น, นี้ยค่ะเนี่ยทุกคนเชืใดใด่อใจได้เพ่นจังว่าวบอกสงสัน กไปเชาว่ า, อ, า, าอันน้จะเลไว้แล้วกยัชื่อโดนร้ายพอมาเอาเฟื่พอพมายุดปีตติิาให้ผู้เฒ่าเฮ็ดเขาไว้แล้วน่นมันไปสิไปมือจังสิสควรเนาะขน อ, ข อ, น อ, นอนตัวอ มื อ, อก็ได้มื อ, อก็ได้สาก้าสักแค่อะเอาเทศตามประสงค์ของตนเถอะไอ้คำนันไปสิไปทั้งไหนเนาะขน่อยจังสิ่สะดวกตัวออกไปทั้งแต่วันออกทั้งทำพระเดียนหรือทั้งบัตร่อดงาบัตรพระคำพูองพองะก็งสิ่สะดวกดูดวยแต่ตัวงห้ ก็จะไปอันต่อไปมละคับมามาไหวพ่อแม่กูบาอาจารย์ก็นน่อยมากแล้วเนพ่อแม่กูจานต์โมฮันมาว่างบาทในซาลาแล้วมาุตีลัง น, นแล้วแต่งห น, น, นไปอยู่สันหลดบสเสันมากกับมากา่าเพนน่อยมากแล้วพ่อแมู่จานทาหน้าเปานา็นยังไงเงินเท้ เป็นเรื่องสเป็นเรื่องสั่นเป็นเรื่องสั่นเป็นเรื่องสั่ถือว่าถือบ่ไม่แน่สิตัดสินเหมาะกั้เพื่อนที่ถือบวหรือที่เป็นเรื่องไหนก็นห่อยสั่นสิการถือคนตัวถือการบวชถือคนตัวบวชถือฮะนี่กาเพื่อนใสยไปทางไหนเพื่อนไปทางพุ่นเซเตอร์สั่นเพื่อนไปเห็นงาน้านนั้นเซเตอร์สั่นเพื่้นไปบวช ไปนั่งฮัตตาบ า, าสัทราบว่าสิหรือใส่ไปมัดมือเวดเวดหน่อยสิกับมากกับต่อมาบอกคนบ๊อบอ บ, อ บ, อบอกคนมาอะไรฮะคนอยากถามเพิ่งก็ได้ถามว่าสนขันมาก้วคนบ๊อบบอกไปสิคนมาไปกระล่ามากก็ บ, บอกเพิ่งก็จังแมนจังโมเป็นอาวัตถุกข์พนา่า เบิงลราบอคำพี่พิสุดที่มกักศิลันิเทศมาว่าวเนเนวอลของิลป์เได้าบาทเนี่ย่าเพื่อนได้หละว่าเนี่ถ้าคนไปเบิงยามใำไหนบล่ะบ่าไม่มีหนังสือจะเดล่มเลยเด้ยวอยู่อันมีแต่ น, นม่ซื้อปฏิโมกข้อนะ่ะกระบอก บ, บุพพารถ้าเล่มหนึ่งอยู่ทั้งนนหัวคนนันนะ มดวัดได้ยินได้เสียงเคนน่ะคอยกันนี้ได้เสียงคนแห้งกดนนี้ได้เสียงคนผู้อื่นไม่จําเป็นไมาได้ใส่เสียงนีอพอได้ยินโซควนก็เลยออกไปคือว่าเฮ็ดงานว่าเอาฟื้นว่าฉันก็ได้ยินแต่เสียงฟันใหม่ได้ยินได้เสียงพาฟื้นปัวปวปั้วปั้วปั้วเสียงกูสีตอมึงควบนั่นมึงสีตากูควบนี่แต่ว่าไม่ ถ้าเฮาอ่ะแต่พ่อกินเขาอิ่มเลี่ยฟงเสียงมันไปซุ่มกันนี่ผลบนล่างบาดผลบนหนึ่งเท่าที่หากรหินสยามบริจาคกันบาดนี่ยพูดออกจ่าขันออกจ่าขันกัอันเศษบาดข้าวกรวยนี่กัเอาอีกแล้วเดี๋มันผิดเพลินหลพระผาพระเพ้ข้าวกรวยแต่เน่ยมันผิดเพลินหล แต่จังหวะก็ให้ขอวัดขอว่าแล้วจะค่อยสู่มัธย์ตายบ่สันเป็นว่าเออมันเกินไปดอกว่าสันย่างกีบแขวเก่าอีกละไม่ได้อีกละคันติกีบก็ให้นั่งกีบดีดีม้วนดีดีแก่คือไมาย่างอืมขาดไม่สีฟันก็คือกันน่ะแหะขาดไม่สีฟันขวงข้างย่างข้างย่างข้างย่างย่างไปน้ําวัดน้ำว่านย่างเอามือคันหลังน้ำวัดน้ำว่าก็ไ่ได้อีกละ นักเลงซูล่าคนว่านักเลงมัดดักเล่งมวยทำนิยมฝาเอาเมื่อขั้นหลังงานน้าวัดนําว่านางนางสันน้าห่อนเอาะขาป่วยเนี้ยส่ก็ได้อืมเห็นได้เขากินกาแฟอยู่ในโร <c oughs> ่มกาแฟปุ๋เหลียวปุ่ยทาว่านาง พ, าพ้าเปียบเดียบรลอยมันจังเมียนปู่ยทาว่าออ อ, อ, อันนี้นั่งย้อนขาพันเฮเทตีพร้อมนั่นล่ะพันจุจ่อไปไม่ตีขาพัวรถนังย้อนขานั่งห้อยเท้านั่งหอ้งหอยเท่าแล้วก็เอาขากระดิกกระิกกระิกอย่างมาถึกกปฏิปทาพดีดีล่ะอันนี้นั่งแกะอาหารนังแก้มุกแก่หออนนันก็นงงออันนี้ก็นั่งงงจอ โอยก็ไม่เห็ดคือปาดงปาด้วไอ้มาสั่นเพนาเห็นดเขาปาดง้ปาด้วลยเห็นมัั่นเพนาแล้วนังอเพียบเรียบร้อยแล้วกูเขานี่าสั่นเ็ดให้กูไหวจังสั่นโกระถืเทียนึงวเพิ่หายแหงหลวงู่อั้นเพียบเรียบร้อยอยู่ไปเจอาหารให้เพิ่นงู่อนไปยดสุขข้อเกสิเด็กสิ กต่จังหวะผูว่าอาจารย์ผู้ไงผู้สูงนางระเบียบเรียบร้อยล้วก็นั่งลงเด็ดจีบรัไปยืนให้อยู่คือพันขาพอกันบรัชเวลามัดอะไงควบพลทีแฮะเนี่ย น, นั่นแหอาบาดคนหรืออาบาดเจ้าของ่เวลาที่ไปบินธบานน่ะเนาะนั่ น, น, น, น, นช่วย โอยก็ไ hmm. ม right ่เฮ right ็นที่เขาไะพยายามต้อนนี้วชันอืมก็เฮ็นที่เขาย่อขยายได้อันทือเอาบริขารเงินก็ไดแสนพันว่าอันมู้นนี่นาะมันบ่ิหาสามารถที่ะสมารวัดเจริญคนว่าแต่พอมันพองหามนเป็ี่ยนนะเวชันนี้ัดตัดปัดตัดว่าัดไป้ายปัดไปมุกไปเกีมมานนี่เ่ะมุกไปเกียมัน ดีเกว่าหมเจ้าฮักมาว่าลาว่าลาว่านี่กคนแบบนี้พวกวันหน้าพวเรียกได้นี่เพราะว่าเหันซี่พ้อมาเพื่นเพ่อนพัดไปไล่เพื่นัดไปป้ายรวยรวยไปนําเห็นคือคนตัผมนี่มาละหูนี่เปลี่ยนเดเหียไวัดสถารลวงปูมันล่างฟ้าเอี้น้ กระไดแห้งเรงน้ำคำมันคัคมันมด้วมันดังแห้งเนี่ยคำมันมดปลาทองนึงล่ะปุงลุงลงลงสล่ะเออผู้ใดมีสติมีสติมันหั่งแหลบอกมาเห็นโลดอกคนมาครมีอันนี้มันอยู่ประดีวมันปกอมาเห็นโลดคนาเล็กค่อยเอาลงทางนี้สักกันจะงสีว่างกระวยก็คือกัน ว่างกวกันได้ให้คอยอลองทางนี้สกกอนคอยงับทางซีสกักก้อนใเห่านีุ่นใบขู่ ก, กัได้ยินพาพ่อมโลกผลเขเลียงเปงปางมาล้างเป่งเป ง, เป ง, เปงอืออู้ไก่กันกับหมูเพลนอ่ะประมาณชั่มืมงนี่เออสร้าเียงถิ่มา้าศห้ามน้ามันกได้ยินเพราพ่อมะโลก ตัดอยู่พ่อตาดไปข้านหน้าอยู่พ่อไปข้ามหน้าทีมตาดมาได้ก่นั่งแบบนึงปัดตาดแล้วก็แก่ตาดที่บัตรแนี่ยแกตาดเป็นข้อที่พัดตัดมากมันไผ่มันไผ่มันไผ่เพื่อนเพื่นเพื่อนนั่นซีนาพ่อมปัดที่บัตรแบบบ้า เหนเงียบไม่หมดไปอยู่น้ำหลวงปูมันพรฉนัพราะฉลาดลาดไปเนะปะหาลงพระอาจารย์กู้ปีที่แรกนะไพักนน้ำเพลนออกจากสามพระเรียนตัวที่ไปใไส่สไปอยู่น้ำหลวงปูมันคนละวะอว่าน้ำหลวงปูมันก็นดีใช่ชาถุ ผมหาแรงเทียนยพันดาเอาคือเนี่ยน้อยนี่ได้เว้ยสนตอนนั้นผมบ่งจะหาจากักซิปได้เว้ยสผู้อยากผู้ใดอยากให้เพื่อนสรรเสริญเนี่ไปอย่าไปน ะ, ะผู้ใดอยากให้เพื่อนพันดาวเนี่ไ ป, ปะะนะแล้วหย่อนทามาอีก มาหอ น, นี้ได้อุบายยังไงอาจารย์ทำอะไรไหวขนาดนี้โอ้ยได้ยพ่อแม่พ่อจานไว้จักสืถือกูถือวขันย่อมเอาหัวให้เพื่อนเป็นเขียงเช็ดเท้าอะไรไปขัน่อยอมไปนั่นไหนยับไปาอาจารย์คนน้อยได้ควางส่จักแมนแมนะเออไปไปไถือแล้วถอแล้วถือแล้วอาจารย์ไอ เอาพิษเอาถึกน้ำพเอาพิษเอาถึกน้ำผพินโยนในย่าสุไย์ไปสนขันยอมให้เพิ่มวัดใ่หิปไกไปสัน้นก้มยังสี่เขาหน่อยวะอืมสร้างเทตออกเนาะไปไปไปไปองยินดีเนาะคนว่าพ่อยงกูพ่อนยกูกับพี่น้องรงผู้ฝันั่นแหละ เนเพิ่นว่าอันนี้ตาชี่ตาสั้นอันเท้าไปไปยงเอาอะไรขอจักเรี่ยมเลยนะเอาสันอะไรให้โลดถือว่าถือก็ให้โลดนาทีของเ้าไม่ย ก, ก็ต้องเห็ุไปตากเก่า่าเป็นยังคุณาอาจารย์องค์ได้คือกันสุดเกา่าเราเรามาคืดเห็นผู้เรียนพระไตยปิดกจบแล้ว เป็นผู้ทุสม้นอยู่สามาเล่นหน่อยเป็นพระละหันเพื่อนบอกให้อาจารย์ผู้เรียนพระไตยปิดกมหาชมาเล่นหน่อยที่นั่นไปเรียนหนังสือแลาอาจารย์เจา้าซะไปนะน่ยเล่นหน่อยเราก็เป็นาเธองตัวแน่หรอเราก็ใส่เข้ามาอาจารย์อยู่เราก็เดีว่าลูกฟิตดิของคนพระละหันจะไปเลื่ตัวยังไงอาจารย์เลยนะเนี่ย ต่ลงน้ำบางสียกษ์นหหันมานน้เพียงแขงไะลงไปก็เพียงแข็งขืนว่าชาตันอิจฉาเลยขืนว่ายับยับลงไปอีกเจ้าหน่อยคนไหนมั่งดูอาจารยแต่ไสียฤกษ์นไหนน้ำมันนี้ยับลงไปก็เพียงก็ขาเออเาจะเกว่าชาตานอาจาเลยขนมา กาษาว่า น, าา น, าานาาี้เจ้าสิวาใส่ข่ขยล้วปิดแล้วไปคือข่คนมมีค่าเท้าแต่เรากระสีผสอนเอาเลว่าพ่นเลยพระละหันสอนหนว่านาทีทอยู่ว่าอยู่ว่าเนี่ยพอเลี้ยงพระใจไปดกจบได้ฮยแต่คนนี้ปาเจันนีนน้อาจารย์เนี่ยก็โ อ, อกาสลายๆเลยมีพดนอยู่นหนึ่ง เราไม่เฮีย ER อยู่ตัวหนึง่งไม่เป๋วโยหาเป๋นในวใ น, นี่ยโค่นไม่แล้วให้น้ําหูดักเข้าไปจากในตูปเงี่ยเราอาจารย์เนี่บ ท, ทว่านทั้งสาวไม่ให้ไปทว่านทั้งหูไม่ให้ไปทั้งว่านทว่านทั้งจมูกก็ปิดนะทว่านทั้งหินลิ่นก็ปิดไ่ให้ไป ไม่คิดสำนึกไปทว่นทั้งโธาพธิทพภากระทบกายก็ไม่ไปแลตามจิตลงไปแลหววานี้ืมอถ้าโดนกับสำเเนจพระลหันเฮอสุดตามัยปัญญาในศึกษามาดีแล้วเดี๋ยเนี่ปปยตัวอย่างพระพุทธเจ้า เป็นจยางไรเนี่ยนีนนนลยลูกศิียบเจ้ามาสินะ่งแล้วกับกติรเรื่องหล่นเนี่ยท่านอาจารย์ขหน่อยนะเพิ่นเป็นก้นวัอบกอขหน่อยเล้วเทือเราเอาสิ่งขน้อยว่าจังไรเาก็เลี่ยวเพิ่นก็บวัสดุถือสมนี่ยังมาเพิ่นเป็นอาจารย์นะเนียเป็นนะพระเนี่ยเพิ่นเป็นพรกขีน้าสมแล้วเนี่ยนี่ยมนะาสิ่เจ้าเทศเรื่องเหอีอยู่ในโพ้นขณนะว่าส่ นะแปลน้ลาหนี๋ก็ลูกปูมันอ๋อพระกอมาฟันฟื้นนนี่ให้เนี่ยานี่ฟื้นในตข้าว่าเนี่ยเอาไปยุไ่ไหม่ะเพ่นลองดี จับต่างขึ้นบันนะฮะฟังก็เบื้องดูฟเห็นบนมันนีเกิ่วหอกไอิฟันเาบมันกิ่วยัฟันบนหันพี่งัาพี่ว่าสันบ่เบนนี้มันจขาดง่ายันบ่ได้เันไปบอว่าันฟันบมันิขาดง่ายนี่ะานอยบ่ได้เนนนี้สักต้องฟนบนปโนนี่แะอ้คนเห็นเออ จะฟันวันนี้ก็ฟันท้องทะเลว่าท่นถ้ากมาฟันวันเกี้ยวสี่นี้มันก็คอยได้หลวงพูมันนะเก่ก็หลวพูมหาเลยซายังหลวงพูมหาคนอน่วมนมูหลายก็ยง่เขาอานร่วมน่งมูหลายก็ยังไงแต่เขาก็อานร่วมวางยบายตางนี่หะอยู่ผุนบอนุรมนดิข่าวอยู่บ้านหัวใจจะใค่เด็ดตอนไหนหลวูมหา เก่งทั้งท่าละมานทั้งครูหลวงปู่มนานพระอภัยทั้งไหนมาทั้งไหนมีแต่เว่าสมารถสมารบัรกันได้ตะกียเว่าเรื้องอิริเวกกันนี่ปากกาคอยนี่บาดคอยนี่จีวรคอยพาการ ง, ง, งูพามิตจะลิ้นสั่งนี่พาตะโคตเอลคอยพาไม้ นี่สายเสดียงคอยสายสู่สิสบส่งไม่ได้ออกกันในที่เด้บอกกันจะเรื่องสมาธิสม า, สมาบัติจะเรื่องมือเี่ยงเล่ามือนี่สลา น, น, นหนสลันออ่วพัดล่มทนานั้นนี่ค้นไปมือละท่านั้นทานั้นท่านั้นทานั้นเานัฒ น, น, น, นาสิรับแขกราแขนเอ่ค้น นี่มันเศ้ามากกับวันรสืส่สาอาหารน่ะต้นลดลงมากเลยไสส่สนสูงจับแข่จับแข่จัแขมนมาลดแต่เนี่อกกันนะพระสูมืนนี่มัคือตะกี้เด้ยอาหารกับตับดอกพิลาพุ่นเเขาเอามาให้เพราะว่าเลย นอไปพักบ้านเขาละเขาเรกาก็ให้เขานอยแต่ว่าพักพักวัดเขาเออกเขาน้อยคืนผุนล้างข้าบนผุนมาใส่เดินดิโกงนี้ผุนซ้ำบ่ายมาใ่วันมาเขาก็เฮมาทรงหัดสนามบินดอนเมืองไห้เพราะว่าคืออาจารย์มหาปินปผีไปยุูเกี ล่าล่าคุณเคยเห็นไหมผมไปภูเก็ตนี่นนะเขาเอารถตามไปส่งผมตั้งเก็บกันเป็นทิวแถวไปท่านเคยเห็นไหมท่านอัศจรรย์ไหมผมอก้วเขาสีภาษาหนึ่งนี่เขากลัวนไดที พวกาหาภาษาเขาจะเอาคนกปะตัดหัวเขาก็เหีไปเหมือนกันแล้วทำไมจันวาตัวเราัผมมาอาจจะจันหรอถ้าเป็นเลนเราจะตกหน้ามันทิฐิมันเก่งแล้วกเนี่เลยบอกเลว่าก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกห้องโถสีขาน่งอีก ทุกวันนี้นี่ยพอเราพอคั่มพบคั่มมาญาติยโยมเขาก็มาฟังเทศวันละสามสิบสามสิบสามสิบสามสิบอย่างน้อยสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีพวกเราก็เปลี่ยนวันละทเทศพวกเราก็เปลี่ยนวันละทำเทศเขาก็ตั้งใจฟังดีแล้วเราก็พาเขานั่งภาวนาอีกด้ว ย, ยคุณอาจารย์ไหมคุณเคยเห็นไหม ญาติโยมตั้งใจอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่พระอาจารย์มั่นบอกว่าพระหากจิมถ้าหาเสตเพราะเ ก, งก่งจะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ใช่พระปฏิบัติเด็ดเดี่ยวพระปฏิพระพคุกขีกับญาติโยมพระหายยัดหาพระ ระหาสีแตกพาะอีสานเรียกว่าสีแตกเรามันเคือเราเก่งกว่าเราเท่ยก่อนวะาเาเขาเเลยหรือไงขันโบเห็นเหาเรียกกราทหาหอกท่านหน้ามันไปไหนนี้ยออพูดกับท่านหน้ามันเสียกตีโว่าวะอบเห็นเห่ากระทำหาหอกเนี่ยล่ะกนใจดีกัน ที่นี่พวกท่านก็อยู่ข้างล่างผมก็ไปอยู่ควรสั้สูงเขาก็ปู่กุฏิให้ผมหลังหนึ่งกับท่านอาจารย์เหรียนหลังหนึ่งแล้วก็พวกคุณก็อยู่ไกลผมไปอีกมันสงัดดีเหลือเกินพวกคุณสังัดไหมล่ะพวกผมน่มันสงัดอยู่อดอกเพราะมันมนไจะ ไ, ไปคุยกัน ท่านอาจารย์มหากับท่านอาจารยเ์เหรียญนั่นคุยกันอยู่ทุกวันจนเทีย่ยงคืนจึงพากันไปนอนมันก็เรก่อดีนะอาไรอะไรว่ายเอาทีนี้เขามาใส่บาทวันพระเขาเอาเป็นโตมาเอาชั่นมาสี่ชั้นมันก็เต็มหมดเจ็ดสิบเปดสิบ สาย้ระของเราก็เพียงห้าหกองท่านเคยเห็นไหมอันเรื่องขี้นั่ก็ผมเคยเห็นอยู่ดอกวัดป่าสารวันแต่ก่อนก็ได้ใส่รถไปเลยเดียเด๋ยวนี้มันไปไหนหมดไม่ทราบเรื่องราบเรื่องรถเรื่องกินเรื่องขี้ก็ผมไม่อาอจารย์ดอกอาจารย์มหาอ้อยมันทิฐิเหลือเกิน